ธรนมะของนักปุตเป็นเครื่องักข้อที่มีความเรหมองห้องใจให้ตกหล่นลงไปยิ้มชิดยิ้สำนึกยิ้มอบเวยนิ้มังก็ยิ้มมีความสว่างสบายยิ้มมีความ ใจนิดหน่อถึงเรื่องของธรรมะจะฟังจากปากของครูอาจารย์กดตามจะคิดตามกำหนดส่วนตัวกดตามอ่เป็นเรื่องของธรรมะจิตใจจะมีความผูขตามสบายตามละตามถอนเงที่เศร้าหมองติดข้องสงสัยเน้น ไปในทางนอกทางโลกทางนอกทางโลกคิดมากเท่าไรตรงมากเท่าไรความทุกข์ความลำบากคามเศร้าหมองของใจก็เกิดขึ้นเป็นออกหน้าออกตาเกิดราคาปัญหา ต, ต, ต่างๆเรื่องทรงนอกเรื่องอะไรม็นอย่างนั้น คิดมากจนไมนมีเทปเขียวกเลยตายเป็นคนหมดสติเสียสติเี่ยวบคิดในเรื่องของธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นคิดเี่ความสงบคิดเี่ยความลาถอนคิเกี่ยความปล่อยวางในคิเกี่ความกอบโวยในคิดเกื่ความถูกข้อ ทำมาถ่ายสอนใหละให้ถอนเรื่องความผิดท้องต่างๆทำมาที่เรื่อทุเจ้าตรงนีนสอนนั้นก็มีสอนที่อื่นที่ใจสอนใครสอนบุคคลที่ผิดข้องสอนตาลายใจใจของบุคคลทุกคนเคยมี ลาภปัญหามาหน้าทิพย์เป็นอยู่ในกายในใจเหลียกันทั้งนั้นเมือ่อม่มาฝึกอบรมใน ม, มาฝึกผลตนทั้งจนแล้วส่วนที่ชั่วที่เสียเหล่านั้นจะสุดออกขนงอกงามจเจริญขึ้นไปดูเลี่ย นั้นการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมจึงเป็นการละถอนหรือตัดส่นทางความหยุ่งเหยิงของใจความไตรคิดต่างๆวามใจงดละงับดับลงไฟโดยอุบายสติคือความรู้ลึกถึงธรรมโดยอุบายปัญญาคือความรอบรู้ในกายในจิต คำ น, นั้นในใจมีในที่อื่นมีในตัวของพวกเราทั้งทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสเป็นคำสอนสติตามลึกลึกได้หมายถึงเดินจิตใจของเราจะต้องลึกลึกอยู่ในความจิตใจต่างๆ อยู่ในการเขี่ยนใบทางกายพูดออกทางวาจาสติจะต้องรู้จะต้องรู้ึก จ, จะต้องตามลักษณะส่นวนใดที่ชั้วที่เสียไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจงให้ําระสะสมส่วนเหล่ า, า, านั้นอย่าให้ชั่วให้เสียมาติดข้อง ในตัวของเราถ้าชั่วชีวมีอยู่ที่ใดหมัอนที่นิดที่เจนนะมัจับตัดเปลาออกไปในว่าทางกายทางวาจาทางจิตนี่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าจ่าเอาไว้ว่าสัพพตาภาษาสจนันคือความชั่ว จะเกิดทิ้งทางใ้เสียตามทางวายใจเสียตามทางใจกว่าตามทำ<ม>ให้รละชั่วเกินนั้นให้ออกไปหมดไปการละทชั่วภายนอกจึงจะมาเกี่ยวข้องกับกายวายจาใจของคนเรียกว่าควาเกียน แสงวาระปัจจานคือปะหาตรหารเหิ่มกั้นรักษาในความชั่วไหลเข้ามาถึตางตัวของโส่ความชั่วที่เคยมีอยู่แล้วจีเคยทําเคยผูกเกี่ยวกัชิตเพราะให้หมันที่นี้ที่จะลายงานโดยปัญญาของส่วําจัดคําชั่วภายใ น, น ใน ห, หมดขึ้นออกไปเกิดความโลภความโกรธความหลงต่างๆถึงมีอยู่ประจําแต่ไหนแต่ไรมาในความชั่วส่วนนอกกั้นเอาไว้ความชั่วส่วนภายในสัมฤทธิ์ปสาทเลือดประหารกระทางถูกกําจัดอไปความชั่ ว, ว, ว, ท, ะะ ท, ว, วที่มีอยู่ในตัวให้หมดออกจากตัวไป มีแตได้ชื่อว่าปะทานความเพียรพอที่สะถึงเรียกว่าปะหานรประทานคือการกำจัดความชั่วที่มีอยู่หลุดโ <c oughs> ตออกไปกูลสาลรู้กระสัมปทาถึงเป็นโอวะคำสอนของพระสุตติกาท่านให้ภาวนา ห้ทำความดีไปทำกุศลต่หมายถึงความเพียรอันหนึ่งจปเรียกว่าภาวนาประทานความดีส่วนใดส่วนกายของเราควรจะทำได้วาจาของเรารจะพูดได้ใจของเราควรจะคิดได้ให้มั่นศึกษาให้หมั่นทำความดีส่วนนั้นให้เกิดขึ้นเพราะการทำความดีโดยกาย การคิดความดีทางวาจาการคิดดีเดือดใจจะเป็นทางนำมาสิ่งความสุขเราคิดดูเราทำความดีลงไปเดือดตายก็ดีเดือ ว, วาจาก็าดีเราไม่ได้ทำหนึ่งแต่เราชั่วเราเสียในวันหนึ่งหนึ่งเืนหนึ่งหนึ่งหรือ นาทีชั่วโมงหนึ่งหนึ่งความดีซึ่งเราได้แต่ทำลงไปเด็กกายวายใจใจมีประดับตัวอยู่สม่ำเสมอความเสียใจน้อยใจต่ำใจเศร้าใจจะไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นความดีที่ตัวทำไปไม่มีภัยอันตรายส่วนใดที่จะเสียหายเย็กกายวายใจใจตองตัว คิดเรื่งใจดีใจเต็มใจในการพูดการทำการคิดทั้งตัวอย่าว่ากุศลสูตรจะสัมปัชคาอินำกุศลตามสังต่างๆมาสอนใายสอนวาจาสอนใจทำแต่จริงที่เป็นสารประโยชน์แก่ตนและคนอื่นสัตวิ์อิจิตใจชื่นชื่จิตใจเบิกบาน ยิ่งแย่แย่ใสเพราะได้ทําความดีทางกายทางวาจาทางใจท่องตนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นบุญเป็นขุดฝนเป็นทางนําความสุขมาให้แก่ตนท่องตนในทางนําความทุกข์มาให้ําระสสารจิตใจท่องต น, ใ, น, งนให้ผ่ะสะส áng, องใสให้สะอาดหมดสด จากราคาตันหาต่างๆงเรียกว่าสจิตตปริโยธาปหนนั้นคือสมรักจิตทั้งตัวอยู่ทุกการทุกเวลาจิตใจที่คิดชั่วเมื่อมากเข้าก็าจะพูดออกทางวาจากว่านั้นก็จะถักดันไปทางใยใ้คำชั่ว ทำเสียต่างๆฉะนั้นท่านจึงให้กชำระสาสางไม่ใหความชั่วเสียต่างๆ ร, รั่วไหลเข้ามาสูส่จิตใจท่องตัวผู้ที่ประพฤตปฏิบัติรักษาอาัตถธมของพระพุทธเจ้าระวังสังวรทํามชั่วชำระสาสางทํามชั่วจากตัวท่องตัวสม่ำเสมอ รีดเร่งการทำความดีทางใายทางวาจาทางใจให้เกิดมีอยู่ทุกการทุกสมัยรักษาใจไม่ให้เกี่ยวข้องกับความชั่วไม่ให้ทัประปกไม่ให้มืดดำไ ม, ม่ให้เศร้าหมองให้จิตใจห่องใสให้จิตใจสาพผูท้ที่ทำตามโอวาของพระพุทธเจ้า อย่างที่ว่านะ น, นี้ได้ชื่อว่าปู้มีศาสนาในตัวของสู่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตักสรู้รยอมแนะนำความสอนทำทั้งสามข้อนี้ด้วยอว่อตังพุทธาในสาสนาถึงแม้ว่ายังไม่มาตัดสรู้ในปัจจุบันจะมาตัดสรู้อีกในอนาคตข้างหน้า มีองค์กว่าตามงวจะมาสอนอย่างนี้ที่ล่วงไปแล้วในอดีตในซาว่ามีเมจอสีแสนพระองค์กว่าตามขอสอนอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะไม่ได้กระดับรับฟังจากพระโอษคของพระ อ, องค์กว่าตามขอสอนในเรื่องสามประการคือรักขั่วบําเพ็ญดีทําจิตท่องตนให้ยิ่ง ให้คลองใส่นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ไปนิพพานไปแล้วกว่อตามที่จะมาจับ้างหน้าก่อตามก็ต้องสอนอย่างนี้แล้วคำสอนส่วน น, นี้ในใชจมีอยู่ที่อื่นมีอยู่กับตัวของตัวเองการทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วก่อตัวของเรา การทำดีพูดดีคิดดีตัวเรื่องของเราอีกการสื่อสารธรรมะศาสนาจิตใจให้ฟ่องใสหรือให้ยื่งเหนือที่เดือดปัญหาตองเรื่องของเราอีกไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลศาสนาอยู่กับตัวของเราถ้าหาเห็นว่าศาสนาอยู่กับพระจันทร์เนร์อยู่กับคนอื่นเราก็มีมีทางที่จะรักษาศาสนาได้ ผู้ที่รักษาศาสนาหากเห็นว่าอยู่กับตัวของตัวทําชั่วขอตัวเองจะได้รับผลของต่ำที่ทําลงไปทุกยากลําบากเหนื่อยร้อนวุ่นวายขนมัวเศร้าหมองในใช่คนอื่นจะมาเกี่ยเหลือเกีย่ยหนุนได้ตัวของตัวเองจะต้องได้รับผลคนทุกส่วนนั้นเมื่อทราบชัดในจิตในใจ อย่างนั้นการพูดชั่วทาําชั่วคิดชั่วต่างๆเราก็จะต้องลูไม่ยินดีไม่ไมเป็นใจในการทําการพูกการคิดทั้ทงสัวเพราะความชั่วควาเสียต่างๆเราไม่ส่งการเมื่อเราไม่ส่งการคนอื่นตัดอื่นทั่วไปเขาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้น เราสุจะต้องรักษาทําดีที่เราต้องการเอาไว้ควรทำอย่างไรควรพูดอย่างไรควรคิดอย่างไรถ้าเราคิดกับเขาเราทำกับเขาพูดกับเขาเขาเต็มใจเขาพอใจเขายินดีเขาเลี่ยมใส่เราต้องทำต้องพูดต้องคิดอย่างนั้นเมื่อคิดเห็นอกเขาอกเราเสมอกันเขาไม่ชอบชั่วเราไม่ชอบชั่วแลวอยากไปทา เร่องความชั่วอย่าไปพูดเรื <Snow> ่องความชั่วอย่าไปคิดเรื <S <S <us as> のの่องความชั่วเมื่อเราเลยไปแตะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความชั่วความชั่วจะมีทางรั่วไหลเข้ามาครับผมตายใจของเราอย่างไรตายใจก็จะมีวันเบิกบานผ่องใสตายใจก็จะมีวันสงบเยือกเย็นฉะนั้นคาคําสั่งสอนของพระพูดใจก้าจึงมีเหตุผลตั้งใจ วันตัดพารุอนกระทั่ ง, งปัจจุบันทันาัไในใช่ว่าธรรมะจะเสื่อมเสียไปตามการตามเวลาตามบุคคลทางหากผู้ปฏิบัติปฏิบัติอจัจธรรมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนคนนั้นจะได้รับสาระประโยชน์รู้เห็นเป็นขึ้นในอัดในธรรมคือในจิตในใจทั้งสดจิตใจจะมีความ สว่างสวยเบิกบานรู้ทั่วเป็นพุทธะอยู่ทุกตามทุกเวลาตืนจากความชั่วีเรียกว่าพุทธะที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ทุกการทุกเวลาไม่หลงไหลในกิเลสปัญหาทางชั่ว การเป็นของิีของดีเมื่อทุกคนรู้เรื่องเกิดผลอย่างนี้การประทุ้ ด, ดีจึงควรเ ส, สมม็มอกเต็มใจจากระทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้ให้ดีให้เด่นในตัวของตัวเพราะทำดีเท่า น, นั้นที่จะทำตัวของตัวได้รับสาระประโยชน์ได้รับความสุข เมื่อฝึกดีอกรมดีดจิตใจก็มีความสุขความดีเป็นมหาเสน่ห์ไม่ว่าตั้งแต่มนุษย์ธรรมดาแต่ว่าไข่ชอบใจแม่สัตว์ทั้งหลายก็ยังยินดีเลือกใส่คนที่มีเมตตาในอิจฉาเลือเดเบียนสัตว์และมนุษย์ คนนั้นไปอยู่ในสถานที่ใดสัตว์ถือเป็นนิสัยในกลัวถ้าคนชื่อคนเสี้ยจิตมันถึ้นแต่สถานที่ใดสัตว์เขากลัวสื่อง่ายสัตว์ตที่ตามวัดตามว่าที่เราเคยเห็นมันในกลัวก้ากลัวเนินเพราะก้าเนินในหยียดเดียนมันไม่ว่าพวกนกพวกเหยี่ยวพวกอะไรในวัดถ้าฆราวาสมา เมอมันเห็นเข่าบินหนีเอนตรงรูไปเชียนี่แสดงว่าจิตใจมันถึงกันทำความดีเอาไว้จิตใจดีจิตใจเบิกบานจิตใจเป็นอัเป็นธรรมมนุษย์ก็อชอบสับขกอยินดีไปสถานที่ใดไัยอันตรายย่อมไม่เกิดมี เป็นอำนาจอันหนึ่งซึ่งจะทำคนและสัตว์ให้เรียมใสเป็นใจยินดีในคนผู้มีธรรมสมกับคาทิตเชื่อว่าทำโมหาเอรักคติธรรมมาจารีทำรักษาผู้กระเพิดปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วจะตกไปในที่ชั่วที่เสีย ตามเพราะอำนาจทำคือเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทำจะต้องรักษาคนี่ตใจเป็นข้ส า, ส, าสุกจัดตรูจะกลับมาเป็นมิตรเพราะอำนาจทำคือเราทำเราฝูดเราคิดในจิตในใจจะทำสิ่งที่ร้อนให้เป็นเย็นได้ทำจัดตรูให้เป็นมิตรได้ ดาะนั้นการเจริญธรรมจึงต้องควรแก่วพวกเราท่านทุกค น, นควรสนใจควรต่อพิติทปฏิบัติเพราะโอกาสเวลา <c oughs> ที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสน า, า, า, าหูตาอาวัยวะทุกส่วนข้ามูลบริบูลที่จะป่พิติทปฏิบัติได้หากเรามองข้ามเรื่องของธรรม จะต้องจำเป็นเฉพาะนักบวชพระวาไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องคิดปฏิบัติเรามองข้ามแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสเยลา่าที่จะภาวานาะที่จะอบรมจิตใจตัวของตัวให้ข่องใสให้ดีเด่นแต่ทำคาสอนไม่เป็นเช่นนั้นเป็นของฟางเป็นสมบัติของทุกท่าน จะเป็นหญินเชินชายเป็นนักบวชเล้าทำในเรื่องน้นหากผู้ใดรักษาผู้ใดก็คิบปฏิบัติผู้นั้นจะได้รับความสงบสงบันตความสุขความสบายของใจทำทุกท้องลางอย่างนั้นเหมือนคณะบัตรไปหาได้คนนั้นก็จะเป็นคนร่ำรวยและมีชีวิเท่ากัน ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขาดมีทานบำบัดที่ดีในความแปลงใายได้เสมอหน้าเสมอตาสั่นทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านตัวอย่าง น, OR, i, านั้นจะเป็นชลวาสตัวตามเป็นที่สุ ส, crude, oughs, สามเณรตัวสั่งหากตัวเชื่ปฏิบัติใจใจของตัวได้ประเชื่ปฏิบัติใจใจของตัวดีคนนัน้นจะมีความสุขรู้เห็น เด่ในใจิตในใจทังตัวแคนที่มีความบริสุทธิ์คนที่มีอาจมีธรรมในตัวไปสถานที่ใดแล้วฝ้าสง่าทาโถงในรอบลอ บ, ลอบมองมองในต่องบางหลังคนอื่นพราะเหตุใดพอคิดแล้วว่าตัวของเราไม่มีชั่วไม่มีเสียส่วนใดเพราะที่คนอื่นจะดูถูกเย็นชา จะไปสถานที่ใดสงญาผ่าเผยเข้าได้ในว่าททั้งคมใดเพราะอัทคำมีปัะจำจายใจของตัวเหมือนคนที่มีเสื้อผ้าสะอาดดีจะไปสู่สถานที่ใดด้วยอําำนาจเสื่อผ้าของเราทือหนึ่งผม่มปกคุมตัวของตัวก็ไม่ตัว หน th ึ่งิมืินพาไปสถานที่ใดไป้างถ้าเสื้อผ้าของเราสกปรกหรือเสื้อผ้าของเราไม่ดีกสบายซ่าจะเข้าไปสู่สังคมต่างๆเขากลัวเขาจะหนึ่งินทาด้วยแม้อย่างนั้นเขาอาจจะห้า ม, มานนนใ น, ในข้าไปญัตนใดคนที่มีธรรมในกายในใจของขันนั้นจะไปสู่สถานที่ใด เขาเรียกว่าวิศาระโดูผูกแก้วฟ้าช้ามากองอาจเดียวอำนาจอาจทำที่ท่านประพฤตปฏิบัติสาาัญญาพาหวยอยู่คนเดียวก็เป็นสุขเข้าไปในหมู่ในคณะก็เป็นสุขเป็นประโยชน์แก่ตนคือความสุขใจ เปนประโยชน์จากคนอื่นศัพ์อื่นมีความเป็นใจความพอใจของเขาฉะนั้นเราทุกคนจึงควรสนใจประทติวัดปฏิบัติอาจทำให้รู้เห็นเป็นขึ้นทุกคนยังมันสายเกินไปควรที่จะประทติปฏิบัติได้ทำเป็นเหลียงเหลีอววิสัย จะทลพิษปฏิบัติได้แต่เฉพาะนักบวชือพระพุทธเจ้าอรหันต์เท่านั้นทำก่คงจะหมดการหมดเว ล, ลาหมดสมัยไปแล้ว mm hmm. นี่นเป็นอย่างนั้นทําเป็นทของฟางาทุกท่านจิตสนใจใส่คิดต้องการความสุขต้องการความสงบต้องการความผ่องใส mm hmm. ของจิตใจมีทางที่จะประพฤติปฏิบัติได้ แตหวห้วามทำตามได้ทุกระยะทุกเวลาทุกบุคคลธรมของพระพุทธเ จ, จ้าเป็นข้อกลางอย่างนั้นที่ท่านไสอนและคนถ้าหากสอบเทีปฏิบัติ อ, อับอทำแล้วรู้เห็นเป็นธรรมแล้วจะไม่กล่าวสูดถูก ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้า ค, คือกล้าสมัยแม้เป็นของผู้ใหญ่เป็นของคนแก่ในใส่ของเด็กจะมาโยนทิ้งไปให้คนอื่นอย่างนี้นแต่เต็เมจิตเต็มใจประเพื่อตะกบัดเดือดสัน่นในว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่ว่านักบวชเทลว่าเพราะ อ, อาจทำเป็นของมีคุณค่าสารประโยชน์เงินอาหารใครทานลงไปคนนั้นจะต้องมี คามอิ่มหนำสงราญกายจะมีเยี่ยวแรงขึ้นมีผู้ใกล้ชิดจิดตามเรื่องของความกดเหมือนกันใจจะต้องมีกําลังเยี่ยวแรงมีความสว่างสวมีสติปัญญาว่าพ่อในเรื่องต่างๆจป็นสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนจะนำำาําธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกมาอบรม กายใจของตัวละชั่วบาเพ็ดีจะทำจิตของตนให้เห็นผลคือความท่องแทลปรสบายสวายทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะมาโด้ฟงจากพระโอษฐของพระโอษฐ์ผมมีสามข้อเห่ า, า, า, า, า, า, านี้เป็นขอ้อยหญ่เป็นศาสนา เป็นธรรมะที่พรจะพุทธเจ้าทรงสอนสัตวโลกและคนมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดตามชำระกิเลสเราควจะปต้อชำระที่นั้นในใจคำที่หนึ่งจะได้เกาที่หนึ่งแล้วจะ ห, หายคำในการปฏิบัติ เราทำนองเดียวกันลนใจจะไปปฏิบัติการนั้นเวลานั้นนี่ยที่เหลือถึงจะตกจะลุด อ, ออกไปมันคันอยู่สถานที่ใดก็เตาลงไปในสถานที่นั้นความพันมันจะหายไปความเศร้ามองของใจมีอยู่สถานที่ใดเราเอาธรรมะปัญญาเป็นประชิดเ ข, ข, ข้าสอบความเมื่อนมนอนท่าการของใจ ความเศ้าหมองคองใจจะหลุดออกไปจะหมดออกไปมีการฝึกฝนจิตใจจึงเป็นของสำคัญถ้าจิตใจดีมีอับธรรมจิตใจดีมีความสุขส่วนอืน่นซึ่งไม่สมบูรณ์อย่างเขาขต่างความสุขนั้นจะไปทับอยู่ในจิตในใจของตัวเสมอไป พอใจมีความสุขพอใจมีอับมีทำขาดใจมีทุกข์ใจเดือดร้อนสมบัตรเขาของเงินทองต่างๆสิ่โลกทั่วไปถือว่าเป็นเขามีคุณค่ามีสาระประโยชน์จะไม่ช่วยเหลือให้จิตใจได้รับความสุขอะไรเพราะจิตใจมีทุกข์อยู่แล้ว ถ้าจิตใจมีสุขมันสุขมากกว่าสมบัติส่วนอื่นดัะนั้นการฝึกจิตอบรมใจให้ใจได้รับความสว่างสวัยเห็นความสุขในอัดในธรรมประจําใจจึงเป็นของจําเป็นที่พวกเราท่านทุกคนจะควรมุขผลอบรมตัวให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นเด่นขึ้นเพราะมันมีอยู่แจะใส่ของไหม่มีแต่เราใหม่ที่นึกที่จชร์มา ไม่หาขึ้นมาประดับตัวของเราจะเลยเน่ยเป็นของที่มีคุณค่าสาระอะไรสําหรับการสอนของพระพุทธเจ้าหากเราเห็นว่าเป็นของจาเป็นและมีอยู่ในกายในวาระในใจของเราควรคิดคิดเจรณาเอาส่วนที่ดีส่วนที่เสียวัดสิ่งป่อยวางไปเราจะได้สมบัติมหาศาล ในการเิของเราที่ด้วยที่จะลอยมาทุกสิ่งทุกส่วนถ้าจิตเป็นอัดเป็นธรรมก็เลยเป็นธรรมไ้หมดไม่มีอะไรเป็นข้าศึกแตูไม่มีอะไรที่จะมายโยยุยให้จิตใจจิตท้องเพลิดเพลินเพราะจิตเป็นธรรมสิ่งอื่นก็เลยเป็นธรรมไปตามๆกันมีหมายถึงผูกจิตอรบรมจิตใส่จิต รู้เห็นตามเป็นจริงเป็นอย่างนั้น <c oughs> มีจิตของพวกเราท่านไม่เคยชำระสาสางไม่เคยดูแลรักษาปล่อยให้ความโลกความโกรธคามหลงต่างๆทับผมเฉยเปียเป็นเหมือดนิดไม่มีอะไรที่จะดีพิเศษเป็สิทเพราะเส่ยนขัน่วเส่ยนเสียต่างๆ ทับผมไปหมดถึงจิตจะเป็นสัพพะสอนอยู่ดั่งเดิมเพราะมันก่อต่างเวยอำนาจโลกก่อหลงเข้าทับผม เ, เ, เหมือนเมฆหมอกจิตบังระจันร์ธาอาทิตถึงพระจันธาอาทิตย์จะมีแสงสว่างอยู่ตลอดาการก่อต่างอำนาจสิ่งเหล่านี้ไปปกปิดยึดเข้าแสงเหล่านั้นจะไม่นตาขุด เมือมนมนทธาตการไปหมดทั่วโลกเพราะเลเหมอกต่างๆได้ปกคุมถ้าหากไม่มีส่วนเหล่านั้นแสงธาตุิตธจันการหัวยังมีอยู่ตลอดเวล า, าการกำจัดี่เอตปัญหาการกนจั ด, าาาจด <c oughs> มานาทิศถิโกโรคปวดหลงออกจากใจเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นได้ปกคุมพุ่มหอ จิตใจทังตัวก็เหมือนเนืหมอกที่หลอยออกไปแสงไฟทิศไฟจันทร์จะสว่างสวัยจิตใจของเราดังเดิมว่าเป็นของสว่างสวัยอย่างนั้นเมื่อเห็นความสว่างสวัยความเย็นเย็นของใจแล้วทุกคนเชื่อว่าจะชอบใจจะเต็มใจจะยินดีเ่็มใจ ในความเห็นความเปลี่ยนของตนอย่างนั้นหรือจิตเดิม็ น, นอย่างนั้นมีความสว่างไสวผ่อใสแต่ด้วยอํานาจอาถรรพุทธิเลสต่างๆนานาเข้ามาปกคุมงุวมเอาไว้การพิจะะารณากําจัดเรื่องอาถรรพุทธิเลสเรื่องที่เลสต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราจะควรชำระสายสาน ม, มันเกิดมันติด มันคิดมันตรงเรื่องอะไรก็เหมือนที่นิพิจารณาเราได้เราเสียส่วนนั้นว่ามันยังความดีหรือความขั่วมาให้ควรจะคิดปรุงปร่งไปหรือตปล่าให้กาหนดที่นิพิจารารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะละวางถอดของความจิดของต่างๆเป็นราคะปัญหาความอยากต่างๆเกิดขึ้นเฉพาะ ใน ม, มีอัดคทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปเป็นหยุเป็นอย่างภายในใจของตัเลยปุ้ยคิดจิตข้องสางสาว่าส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นอย่างนี้ยินดีเกิดเผยก็เลยเกิดสามอย่างคิดถ้าพิจารณาถึงขึง้นฐานของมันจริงจังลาธรรม ความกำหนับยินดีในใจมันเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่รักษาเราไม่พิจรารณาตามเป็นจริงริงที่เราชอบผู้หญิงก็ชอบชายผู้ชายก็ชอบหญิงแลยง้ยิ้มยิ้ใชายชามีอยู่ที่ไหนเยนาให้ทีข่วนแยกแยกะแตดูอะไรที่มันชอบมันติดทิดไปถึงฐานของมัน รางกายทั่วไปมันเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นหญิงเป็นชายไหมเข้างามที่ไหนใครแยกออกเป็นส่วนวๆทำไมจิตใจจึงใจหลงจงงิตใจจึงใจอยากกายอันเดียวกันขาดอันเดียวกันหันอันเดียวกันทุกอันเดียวกันด้วยอา น, นาจอยู่ในที่จะได้นานแนนอนชาตบเกน จ, จิตไม่ Salvador, เห็นแจก่จิตขล่องรุ่มหลงการที่ไิตพิจารณาตามเป็นจริงจะเห็นของจริงเกิดขึ้นจากการที่วิตพิจารณาการหาคาตอกได้อันนั้นต์ได้อันนี้ได้มาแล้วได้รับความสุขความสนุกสนานอย่างไรได้มาแล้วเป็นประโยชน์อะไรเราเกิดมา ก็จะต้องแปรปวนและแตกสลายความอยากของเราที่หามานขนถ่ายมามีอะไรจิดเป็นตามตัวไปไหมในภพทางหน้าคนเกิดมามีผ้าผ่อนท่านสบายติดมาไหมมีเข้าของเงินทองติดมาไหมมีอะไรจิดมาบ้างที่นิพแย์นะต้าหาว่าจับที่ยังเงย็นได้ตายติ หากเข็เย็นชับลงไปโดยอาจทมในใจจริงจังว่าของของโลกไม่มีใครที่จะหาถามหรือขนนี้ได้จะต้องอยู่กับโลกเหนื่อยไปทำไมจึงไปหลงไหลทำไมจึงไปเิดเขิมจะต้องรู้สอนตัวได้เนื่นใดคิดอาจทำถึงใจอย่างนั้นจึงไปเฝ้าฝันหลุ่มหลง ติดข้องต่างๆเกิดราคาความกำนังใจใจเกิดปัญหาความอยากของใจราคาตัญหานำมาสู่ความสุขหรือความทุกข์พิจารณาหยามลงไปอีกเพื่อจะให้จิตใจรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วถอดถอนสิ่งเหล่านั้นออกจากความติดข้องในทางที่นีิพิจารา อุบายปัญญาหรือวิปัสสนาความที่จะกำจัดอย่างความชั่วต่างๆให้หลุดออกไปจากตายวาจาใจของตัวเมื่อพิจารณาทำยิ่งมืดยิ่งดับไฟยิ่งมืดยิ่งจิตตาหลับตากรณีที่จะเดินถูกช่อง สูถ่ถนนท่านทางนะคำคาสอนของพระเจ้าที่บัญญัติเอาไว้ก็เป็นประชิดอันหนึ่งซึ่งจะมาส่องกายส่องใจส่องถนนท่านทางของเราแต่มีประชีดมีไฟแล้วไม่จุดมันก็ไม่สว่างสวัยหรือเรามีกายมีใจมีอัตมีธรรมเป็นที่ศึกษาแต่เราไม่นํามาที่นี่ที่จะใดนานามา ประโยชน์ส่วนนั้นก็ไม่ทำไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราแต่นั้นทุกคนจึงควรสนใจนำกายวาจาใจของตัวพี่เจรนาอาจทำทำสอนเขาพระพุทธเจ้าจิตคิดนุ่งต่างๆเป็นทางอาจทางทำหรือทางอาจทำนำสุขหรือนำทุกมาให้เป็นทางแก้ไขหรือทางฝึกพันตัวเอง ที่นิพจน์นาเลือบายปัญญาให้รู้ให้เข้าใจจิตจะรู้เห็นตามเป็นจริงในวันในปวะวันหนึ่งฉะนั้นการฝึกอบรมจิตใจพวกเราท่านทุกคนจึงควรสนใจควรจึตควรรักษาควรปฏิบัติตัวของตัวและชั่วบำเพ็มดีทำจิตให้เด่นให้พิเศษ คอแก้สว่างสวัยใอยยิ่งจากสมุดทั่วไปแล้วจะมีความสุขอยู่ทุกอวิยาบทในคมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของกลางในใส่ของพิษสุสามเนในใส่ของคารวาผู้ใดสามารถกระพริปฏิบัติผู้นั้นจะเป็นสมบัติของตัวความสุข ที่พระพุทธเจ้าบ่งบอกเป็นอย่างไรจะประทับใจในตามประพฤติปฏิบัติอยาไปมองข้ามว่าเรายังไม่พร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติพร้อมหรือทุกเวลาความตายในเลือดหยิ่เหยิบชาตสุิตศุาเมเนนตายได้ระยะที่มีลมหายใจอยู่ควรจะทําพื่องามความดีอย่างไร ควรจะละชั่วอย่างไรเป็นหน้าที่ของเราจะมาสอนใจของเราให้สุกให้ปฏิบัติให้รู้เห็นในอัจในธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นทำแบบเนินสีพันถ้าธรรมขันธรเขายุโยงแล้วเรียกว่าถ้าไจดีดกกระได้แก่ตายวาจาใจสามอย่างนี้ มีที่อื่นที่จะเป็นที่เดลือปัญหาที่จะเป็นมักเป็นผลมีอยู่ในบุคคลใ่ตัวของเราทางนั้ดฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นกำหนดที่มิตรเนานำธรรมะเกี่ยวี่บายมานี้ไปปปฏิบัติทำจัดชั่วบำเพ็ญดีก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ ในอวาสานการอธิบายคำโดยอั น, นาคุณภาษีรัตนใจจงคุ้มครองฟ้องปกพวกท่นกานนาปฏิบัติให้มีความสุขความเจริญโดยกันทุกคนหน้าเทลินลัง